ต่อจากนี้ไปเป็นรายการสาขาสองธรรมะมเรื่องนิพพานคืออะไรตอนที่สองโดยพ่อท่านสมณะผู้ิรักและสมณะผอพุทธจันทเสถโถจากพุทธสถานสติสุขออกสถานีโทรทัศน์ช่องพิเศษไทยทีวีสองได้แสดงไว้ประจำวันที่20พฤศจิกายน2548าย ขอเชิญท่านติตาทัฝั่งได้เนบัดนีะโมสังโฆกราบน้มสักการพระท่านด้วยความเคารพครับเจริญธรรมญาติโยมสาธุชนผู้มีใจใฝ่ในพระนิพพานทั้งหลาย เพื่อความเบิกบานแจ่มใสเป็นกําลังใจไฟชีวิตวันนี้เรามาพร้อมกับสายลมธรรมชาติเป็นสายลมกรุงเทพพัดพลิ้วอยู่กับหมู่แมกไม้อันเขียวสดในบริเวณสันติอโศกดินงามน้ำใสไม้ร่มลมพลิ้ววิวสวยรวยน้ำใจถ้าใครก็ตามได้มีโอกาสมาฟังเทศฟังธรรมในวันอาทิตย์ซึ่งเราบันทึกเทปในวันอาทิตย์และก็นามาอออากาศ ในวันต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทีทีวีเรานํามาเอาอากาศวันศุกร์แต่สื่ออื่นที่นํามาถ่ายทอดในช่วงเวลาต่างๆกันนั้นก็ถือว่าเป็นเวลาแห่งความสะดวกขอที่น้องได้รับทราบว่าทุกครั้งที่เรานําเสนอประเด็นพุทธที่ไปนิพพานนะเนี่ยโดยบันทึกเทปโทรทัศน์เป็นหลักแล้วนาเสียงนําสื่ออื่นๆมาเผยแพร่ในเว็บไซต์หรือในอินเทอร์เน็ตอะไร อ, อะไรก็แล้วแต่นั่นก็เป็นเพียงผลถอยได้ เราต้องการที่จะสื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นถึงความอบอุ่นเราต้องการที่จะสื่อให้ท่านทั้งหลายเห็นถึงความสงบเย็นเราต้องการที่จะให้ท่านทั้งหลายเห็นถึงบรรยากาศแห่งความสนใจใฝ่ธรรมของพี่น้องจํานวนมากที่มาร่วมฟังเทศฟังธรรมกันณนะพุทธสถานสันติอาศร ซ, ซึ่งโดยปกติถ้าพ่ะท่านสมณะโพธิรักษ์อยู่ที่สันติอาศรมท่านก็จะแสดงธรรมมานีและวท่านก็ให้ความเมตตาแก่อาตมามานั่งฟังมาเป็นผู้ร่วม ฟังอย่างใกล้ชิดแม้จะมีส่วนร่วมสนทนาบ้างเล็กน้อยนั่นก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนประกอบแต่ประเด็นหลักก็คือว่าเราได้มีโอกาสฟังในเรื่องลึกๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องนิพพานอันเป็นเรื่องที่กล่าวได้ว่าเป็นหัวใจหลักสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเมื่อคราวที่แล้วพ่อท่านได้พูดถึงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องพุทธที่ไปนิพพานในหัวข้อนิพพานคืออะไร ท่านได้เน้นย้ำดึงพระนิพพานมาอธิบายเกี่ยวกับการหลุดพ้นทั้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์เจโตวิมุตต์คือจิตที่แข็งแรงนะหลุดพ้นจากกิเลสปัญญาวิมุตต์คือปัญญาที่เข้าไปรู้ชัดในการหลุดพ้นนั้นๆท่านได้กล่าวถึงเรื่องโสดาปติยังคะหมายความว่าองค์คุณที่นำไปสู่ความเป็นพระโสดาบันโดยเฉพะอย่างยิ่งองค์คุณ5ประการนะ ฟังและอาจจะดูเข้าใจยากแต่ที่บายแล้วก็จะเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นคือสี่หการที่จิตของเราเหลุดจากความติดที่จะไปสู่ความผิดในสีลห้าเช่นไม่มีจิตคิดจะฆ่าสัตว์ความจงใจหรือเจตนาที่จะฆ่าสัตว์พระโสดาบันไม่มีความจงใจเจตนาที่จะรักทรัพย์พระโสดาบันไม่มีความจงใจหรือเจตนาที่จะประพฤติผิดในการมพระโสดาบันไม่มี ความจงใจหรือเจตนาที่จะพูดโกหกท่าโซดาบัณไม่มีความจงใจหรือตัวเจตนาที่จะไปสู่การดื่มเหล้าโซบูรีและใบยมุกต่างๆพระโสดาบัณไม่มีแต่กิเลสบางทีอาจจะยังมีอยู่ะนะตัวกิเลสในใจอาจจะยังมีอยู่แต่ความจงใจที่จะไปสู่ความผิดนั้นน่ยไม่มีอันนี้คําอธิบายทั้งหมดทั้งสิ้นที่พ่ะท่านได้อธิบายมาเมื่อคราวก่อนเนี่ยคงจะทําให้ท่านนักหลายมีความรู้สึกว่าเออจริงๆโซดาบัณก็ไม่ยากเกินไปเนาะ ไม่กิเลสยังมีอยู่แต่ความจงใจที่จะไปสู่ความผิดดังกล่าวนั้นไม่มีดังนี้เมื่อคราวที่ผ่านมาเนี่ยพราะท่านพยายามอธิบายให้พวกเราเห็นถึงสักกายะในกรณีกำหนดรู้ตัวตนของกิเลสหยับยบัย บ, ยบใหญ่ๆในจิตและจัดการกับกิเลสหยับหยบับใหญ่ใญในจิตนั้นออกไปท่านกำลังอธิบายถึงเรื่องของสภาวะจิต แม้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอบายมุกยับยัใครก็ตามที่พยายามบอกว่าสิ่งนี้ไม่เกี่ยวกับนิพพานเนี่ยแต่พระท่านก็ยังยืนยันว่าจริงๆนิพพานเนี่ยจะต้องเริ่มสะสมหน่วยกิจจากเรื่องเล็กๆน้อยๆให้ได้ก่อนถ้าเรื่องเล็กๆน้อยๆเรายังไม่สามารถทําให้หลุดพ้นไปได้เราจะไปพูดเรื่องนิพพานละเอียดในจิตภาษารู้นรูแต่ทว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยากลายเป็นตรงกันข้ามยังมีกิเลสที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ผิดฝาผิดตัวจริงๆนี่ก็คือการสรุปประเด็นจากเมื่อคราวก่อนเพื่อที่จะเชื่อมยงเชื่อมโยงประเด็นสืบเนื่องจากที่พ่อท่านจะได้พูดต่อไปผมกราบถวายเวลาในช่วงนี้แก่พ่อท่านตามสมควรได้เลยนะครับอ้าวทีนี้ก็อาตมา ก, ก็มาต่อเลยนะครับคราวที่แล้วหรือผู้ที่ไม่ได้ฟังคราวที่แล้วก็ตามมาขอพูดต่อพูดนาไว้นิดนึงอาตมาได้หยิบเอาเรื่องของ ตัวอย่างคนไปติดเหล้าซึ่งเป็นอบายมุกแน่นอนหรือเป็นข้อหนึ่งในศีลหกิเลสมันติดมันเป็นกิเลสจริงๆเพราะฉะนั้นผู้ที่จะปฏิบัตินี้จะต้องเรียนรู้กิเลสตัวนั้นของตนเองต้องมียานอ่านออกเห็นเลยมันเกิดเมื่อไรมันเป็นตัณหามันอยากเมื่อไหร่หรือมันอร่อยมันอยากพอมันได้บำเรมันกินเหล้าเข้าไปแล้วมันก็จะอร่อย มันมีอัศราา์ธรมันมีรสอร่อยเรื่องเดียวกว่าสมใจอ ย, ยากเป็นสวรรค์ของก็ของชาวนรกสวรรค์ดวงนะสวรรค์ของชาวนรกชาวนรกนี่คือคนยังมีภูมิตำมอยูยังอยู่แค่นั้นนะมีสวรรค์อยู่แค่นรกสวรรค์พอสมใจมันเป็นสุขก็เป็นสวรรค์แต่แท้จริงมันยังสวรรค์นรกสวรรค์อยู่ในอบายนะเป็นความสุขในอบายความสุขในเมืองนรก ซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจให้ได้ว่าอาการของจิตของเรานั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่เรียกว่าหมดกิเลสหมดตัวตนตัวตนในภาษาบาลีรี ว, ว่าอัตตาบ้างสักกายะบ้างอาสวะบ้างอะไรพวกนี้เป็นเรียกว่าตัวตนนะสวะหรืออาสวะเรียกว่าตัวตนทั้งนั้นทีนี้ถ้าเราไม่สามารถรู้สภาวะของภาษาที่ ท่านตรัสไว้เห่านี้เราก็เป็นคนที่ไม่มีวิชาไม่มียานปัญญาทางพุทธวิชาคนมาปฏิบัติธรรมพระเจ้านี่ไม่ใช่พูดแล้วงมงมงวยงายเดาเอาไม่ใช่าศาสนาพุทธเจ้าท่านไม่เห็นเดาท่านให้รู้แจ้งเห็นจริงรู้ดิญญานทักษณะของจิตเลยเป็นญานหรือเป็นวิชาเรียกยานก็ได้ปัญญาก็ได้จิตเรียกวิเรียกจะแหละเรียกปริญญาก็ได้เรียกปัญญาเรียกวิชา เลละเอียนนี่พวกนี้จะเลลยเนทัศนะอะไรก็ตามใจก็คือความรู้ของเราเนี่ยที่เป็นความรู้ภายในอ่านไปรู้ในภายในคืออ่านไปรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานเมื่อจิตเจตสิกมันก็จะไปรู้สิ่งที่ถูกรู้เรียกว่ารู้สิ่งที่ถูกรู้นั้นก็คืออาการทางจิตไม่ใช่รูปเป็นมหาภูต ร, รูปข้างนอก มหาภูตารูปขนอกที่เป็นดินน้มลมไฟประกอบไปด้วแท่งเด็ ก, ก่อนอะไรพวกนี้นี่มันก็ของหยาบแต่อันนี้มันเป็นนามารูปหรือเป็นรูปในภายในถ้าเียกนามากายหรือนามารูปนามารูปพวกนี้เราเป็นรูปภายในที่เราจะต้องอ่านมียานอ่านเห็นอ่านมันได้มันเป็นอาการของความติดมันเป็นอาการของความอยากมันเป็นอาการของความอร่อย จนกระทั่งไปจับตัวมันได้เรียกว่าส ก, กายะแล้วเราก็ปฏิบัติการลดละด้วยวิธีสมถภาวนาก็ตามนีม่ปัสฉนาภาวนาก็ตามเพราะสมถภาวนาก็หมายความว่าปฏิบัติในการกดข่มเลยนีคคำพนัประหารเรียก ว, ว่าสู้มันดื้อกดจะมีแรงอย่างไรก็ตามใจคุณให้กิเลมันเบาบางลงไปเลยให้กิเลมันดับไปเลยก็ตามใจกดข่มอย่างไรก็วิธีอย่างหนึ่ง สวมติวิปัสสนานั้นไม่ต้องกดต้องข่มหรอกรู้รู้เห็นเห็น ป, สสปัสสัปปสีนี่แปลว่าเห็นเห็นรู้ ร, รมันเห็นเห็นนี่แหละแล้วก็สู้กันในปัญญาสู้กันในความจริงเลยว่าเองไม่ดีเองเป็นผีเองไม่เขาา้าท่าเองจะต้องถอยออกไปข้าจะต้องปราบเองกำจัดเองด้วยภูมิปัญญาด้วยความเห็นจริงเลยว่าเองไม่ใช่ตัวดีที่จะมาคบค้าสมาคมอยู่กับเราเองจะต้องหนีไปเองจะต้องละลายไปเองจะต้องดับสิ้นสนิท ไม่ตายขอไม่จะไม่ตายไม่เกิดอีกตายดับไม่ตายดับสนิทไม่เกิดอีกอาตมาแปลฟังแล้วตอนตะกาวที่แล้ววันนี้ผ่านแปลว่าการตายดับสนิทตายจริงๆตายไม่ฟื้นไม่มีการเกิดอีกนั่นคือนิพพานอ ะ, อะไรไม่เกิดกิเลสตัวที่กำลังพูดถึงนี่แหละกิเลสตัวกาลังพูดถึงนี่ตัวใดมันตายดับสนิทมันไม่เกิดอีกยัง่งยั่งยืน มันไม่เกิดอย่างนิดจังทุวังสัตสตังกวิปริณามะธรรมังอสังหิรังอสังกุปังไม่ยังก็ปรินก้าวเนาะมันคล่องเพราะมันพูดบ่อยนะมันไม่ได้ไปเก่งไปกาไร้หรอกมันมาพูดบ่อยมันก็คล่องปากมันแปลว่าความเที่ยงมันเป็นยังไงมันตายสนิทอย่างเที่ยงแท้ตายสนิทอย่างยั่งยืนตายสนิทอย่างมั่นคงตายสนิทอย่างตลอดกาลสัตสตังตายไม่แปลเป็นอื่นตายตายตายตายไม่แปลเป็นเป็นอีกแล้ว อวิปปินามะทำมังไม่เปลี่ยนเป็นจากตายแล้วตายแล้วตายแล้วไม่มีเปลี่ยนจากตายมันจะเป็นตายอยู่อย่างนี้แต่ตายมันจะเป็นอีกแล้วม่รู้จะพูดเป็นพูดตายมันจะต้องตายอย่างนี้ตลอดอวิปรินามะทำมไม่แปลเป็นอื่นอสังหีรังไม่มีกําเริบไม่มีอะไรมาหักละขอเคอาไปอสังหีรังไม่ได้แปลว่าไม่ไม่กำเริบอสังกุปัมแปลว่าไม่กำเริบอสังหีรังแปลว่า ไม่มีอะไรมาหักล้างได้มันเป็นอย่างนี้แล้วแข็งแรงมัน่นคงเด็ดเดี่ยวอะไรจะมาแปลเปลี่ยนอะไรจะมาหักล้างอันนี้ลงไปไม่ได้เลยมันเป็นอย่างถาวรจริงๆมันเด็ดขาดอย่างนั้นสังกุปปังตายไม่ฟืน้นหรือตายไม่กลับกำเริบอีกเลยนั่นคือลักษณะของนิพพานและคำอธิบายที่อาตมาพูดไปเนี่ยภาษาบาลีเนี่ก็คือคาที่ขยายความเป็นนิพพาน นิพานจะต้องเที่ยงแท้นิพานจะต้องนี่แหละนิจังทูกวังสัตสตังเอาวิปรินามะทำมังอสังเฮีงอสังกุ ป, ปังนี่แหละถ้าไม่ถึงขั้นนี้ไม่เรียกว่านิพานนิพานต้องตายไม่เกิดเพราะกิเลส ต, ตัวนี้จะต้องไม่เกิดขอแหวกอีกนิดหนึง่งไม่ใช่ร่างกายนี่ไม่เกิดนะอย่าไปเกี่ยวกันนะวิพานนี่มันเกี่ยวกับเรื่องจิตเจตะิกมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของร่างกาย เพราะฉะนั้นจะไปพูดว่าพระอรหันต์ตายแลว้วร่างกายนี้ไม่เวียนมากลับมาเกิดอีกไม่ได้ถ้าเป็นงั้นก็ไม่ได้ไปพูทธภูมิมูลพอดีนะอันนี้ก็ต้องค่อยๆเข้าใจเรื่องนี้เรื่องโพธิสัตว์ตบภูมิอาตมาอธิบายนี่มันเป็นความรู้ทางโพธิสัตว์ตบภูมิที่จรงิงอาตมาก็เอามาขยายให้ฟังเมืองไทยเทราวาณไม่ค่อยเข้าใจโพธิสัตว์เท่าไหร่นะเอาต่อเรื่องนี้อาตมาอธิบายไปถึงว่าเมื่อเราอธิบายเมื่อเราได้จับกิเลสนี่ได้เป็นสักกายแล้วเราก็ปฏิบัติ ด้วยสมถะธุระหรือวิปัสนาธุระหรือสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาก็ได้เรียบภาษาอย่างนี้ก็ได้คือถ้าไม่เกิดผลตามสมถะด้วยวิปัสนาด้วยโดยเฉพาะวิปัสนาเป็นของพระพุทธเจ้าสมถะนั้นของฤาษีของอะไรทำวิธีกดข่มมามากแล้วมันไม่เที่ยงแท้มันไม่ยั่งยืนมันไม่เด็ดขาดนะต้องวิปัสนาถึงจะเด็ดขาดเป็นลิชาของของพระพุทธเจ้า คือรู้เห็นเห็นเลยใช้มรรคองแปดปฏิบัติลืมตาสมาธิรู้ชานก็ก็ลืมตาปฏิบัติตรงเนี้ยเห็นรู้สัมผัสอัตมายกตัวอย่างคราวที่แล้วคราวนี้ก็ยกตัวอย่างต่อคือเรื่องสมมุติว่าเราติดเล่าเราจะล้างกิเลสตัวเล่าเนี่ยให้มันตายดับสนิทเป็นนิโรธเป็นนิพพานคราวที่แล้วอัตมาอธิบายไปถึงวิราขานุ ป, ปัตสีคือจะต้องมีวิปัสนาหรือมีปัตสีมีตาเห็น ตาธรรมะนะไม่ใช่ไม่ใช่ตาเนื้อธรรมะจักรสุขเห็นแจ้งเลยว่ากิเลสมันเป็นเช่นนี้ตัวกิเลสเป็นสักกายะตัวนั้นแหละคุณจะต้องอ่านมียานตาทิพย์ข้างในเมื่อมันเกิดปลักๆขณะนี้เลยเนี่ยโอ้โหนี่กิเลสเรากําลังเกิดเลยเนี่ยเพื่อนมันกําลังกินเหล้ารอเราใหญ่เลยนี่ยัวใหญ่เลยโอ้สนุกสนานนี่ฮะไม่แต่ก่อนเราก็เคยแบบนี้เลยอ่า แต่ตอนนี้เราก็กําลังสัมผัสอยู่กิเลสมันกําลังเกิดขึ้นมันจะใหม่อยู่แล้วนานี่ยกดข่มแรงก็ไม่จะมาอยู่แล้วเนี่ยมันจะขึ้นนะนะเนี่ยหรือมันขึ้นมาแล้วอ่านเห็นอยู่ภายในนั่นแหละคือตาทิย์เห็นความจริงตามความเป็นจริงเรียกว่าปัญญาหรือญาณปัญญานี่แปลว่าเห็นความจริงตามความเป็นจริงแล้วเห็นปรมัตเห็นจิตเจตสิกเห็นอาการทางจิตมันกําลังเกิดกิเลสอยู่ในจิต อาการนี้มีกิเลสเป็นตัวการมันกําลังเกิดคุณวิเคราะห์วิจัยตัวกิเลสที่ได้อาการนี้ได้และคุณก็ปฏิบัติให้อาการนี้แหละอาการที่มันอยากหรือมันกําลังจะสู้ไม่ไหวแล้วเนี่ยมันจะไปแล้วเนี่ยมันจะไปละเมิดแล้วเราจะเลิกเล่าเราจะไม่กินเล่าเราจะฆ่ากิเลสตัวที่มันไปติดเล่ากิเลสมันกําลังเกิดจับกิเลสได้ทําให้กิเลสมันจางคลายวิราคาอนุปัตสีอนุปัตสีตามเห็นมันหลัดเลยมียานเห็นจริงๆ นี่คือความจริงที่ไม่มีใครโกหกตัวเองได้คุณไม่เห็นก็คือคุณไม่เห็นคุณไปนั่งเดานั่งคิดอะไรก็ได้คัดแค่นี้อะไรก็ได้แต่ที่พูดขณะนี้นี่คือผู้ปฏิบัตินั้นต้องมีสภาวะธรรมอันนี้ของตนเองรู้แจ้งเห็นจริงของตนเองนะเพราะงั้นคนจะมาโกหกาศาสนาพุทธไม่ได้าศาสนาพุทธเป็นศาสน า, สาศาสนาที่รู้แจ้งเห็นจริงแม้เป็นนามธรรมาเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญ ญ, ญาณเป็นวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมา เพราะมันเป็นของจริงพิสูจน์ได้เห็นได้ของจริงไม่ไม่ใช่จะมานั่งพูดแล้วก็คำนวณนคนเนอไม่ใช่เลตตัวหนังสือแต่ทฤษฎีมันยังไม่ใช่เอาไปปฏิบัติเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงกิเลส ด, ดับได้บางครั้งบางคราวคราวที่แล้วปฏิบัติถืว่าบางครั้งมันก็ถึงขั้นดั บ, บให้เราเห็นว่าเออมันไม่เกิดโดยคราวนี้นั่นเรียกว่านิโรธานุปัสสีตามเห็นความดับ คุณทําไปเรื่อยๆสั่งสมภาวะทางจิตให้แข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันยังไม่เก่งมันได้เป็นครั้งเป็นคราวเรียกว่าคณิกะสมาธิเรียกว่าสมาธิจิตมันมั่นคงขึ้นมานิดนึงเป็นขณะขณะยังไม่นานยังไม่เก่งมันแปบปะเดียวก็ล้มปะเดียวก็ได้ปะเดียวก็ล้มเจออีกเอาล้มไปหน่อยหนึ่งมันก็ยังแวบๆบับๆเอาได้ดับได้อีกดับดับได้ขณะดับได้ทีไรไม่มีกิเลสอยู่ในจิตเลยไม่มีนิวรกิเลสพวกนี้ ขณะนั้นขณะใดเรียกว่าฌานฌานคือการไม่มีกิเลสนิวรนการทำให้จิตกิเลสในจิตตัวที่คุณกำลังทำนี่แลมันดับมันไม่มีเมื่อมันไม่มีกิเลสตัวนี้ขณนะใดขณะนั้นคือฌานทำให้มันดับให้ได้เรื่อย ๆ, ๆก็คือสั่งสมฌานนั่นแหละให้เป็นสมาธิจากฌานจะไปเป็นสมาธิ ในทางฤาษีเขาจะนั่งสมาธิก่อนแล้วก็ไปเกิดฌานแล้วก็ไปทำฌานข้างในซึ่งเป็นคนละเรื่องกันแต่ของพุทธนั้นคือการเกิดฌานก่อนในจาระ15แล้วเกิดวิชา8จาระ15ข้อที่12 13 14 15 12 13 1ิ1สคือชาติหนึ่งชาต2สองชาตสาชาตแล้วก็เกิดวิชา8วิชาก็คือยานที่ตามรู้การปฏิบัติตั้งแต่ซีนจาระข้อที่1 อินทร์สังวรอินทรีย์โพชเนมตัญจิตาชากริยานโยคะจนกระทั่งเกิดศรัทธาเกิดฮีริเกิดโอตปะเกิดปวงสจัจเกิดวิริยะสติปัญญานี่เป็นจรณะทั้งนั้นแล้วก็มาต่อด้วยชา้นหนึ่งชานสองชั้นสามชั้นสี่นี่มีสิบห้าคอสิบลักษณะธรรมมันจะเกิดจริงๆคุณประพฤติพวกนี้ผู้ประพฤติทำตามครมรุปปัจจะเกิดจรณะ15เกิดฌานลืมตาฌานลืมตานี่แหละคือเพ่งรู้เพ่งเผา ถ้าจะแปลแปลง่ายๆคำว่าฌานแปลว่าเพ่งรู้ๆอะไรรู้กิเลสแล้วทําอะไรเผากิเลสฌานมีหน้าที่รู้ตัวกิเลสแล้วเผาตัวกิเลสนั่นคือฌา <S <S นเพราะคุณทําให้กิเลสดับไปได้ในขณะใดขณะนั้นเรียกว่าฌานขณะที่ยังต้องแข่งคุมอยู่จะต้องฟื้นอยู่เรียกว่ามีวิตกวิจารณนและจะต้องกังวลกังวลก็ลกปแปล ว, วิตกวิต ก, กคนภาษาไทยเรียกว่ากังวลให้รู้ว่าแปลไปวิตยังวิตกอยู่มันยังวิตกมันยังต้อง ใช้สมรรถนะของเราอต้องคุมแข้งคุมแจเลยนะเรามาระวังมันอยู่อย่างสงวนระวังอยู่ปล่อยปล่อยวางมือยังไม่ได้หมายคำว่าคนมือนขับรถจักรยานใหม่ๆ่โอ้โหต้องเกรงแข่งคุมอยู่เลยนี่เราว่ามีวิตกวิจารอยจนคุณชำนาญจนคุณสามารถทําได้คล่องตัวง่ายขึ้นเบาขึ้นวิตกวิจารณก็ลดลงลดลงลดลงลดลงไม่ต้องเกรงต้องคุมไม่ต้องกังวลไม่ต้องวิตกกไม่ต้องวิจาร์ไม่ต้องเพ่งรู้ไม่ต้องเพ่งเผาไม่ต้องทําให้มัน ละจางคลายเรือว่าไม่ต้องทําให้มันดับได้ยากมันง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นพิจตวิจารณก็ดีลดลงลดลงจนพิจกวิจารณ์ไม่มีก็คือไม่ต้องมิจตไม่ต้องวิจารณ์ไม่ต้องกังวล ไ, ไม่ต้องไปคุ้มไม่ต้องไปเคร่งไม่ต้องไปอะไรคล่องแล้วดีแล้วพิจวิจารณ์หมดไปเนี่ยฌานสองฌานสองแล้วแต่หมดไปแล้วปีติคุณก็ดีใจว่าโอเก่งแล okay. ้วตอนนี้แง่คล่องแล้วขี่จักรยานก็คล่องทาให้กิเลมันหายไปก็สบายแล้วไม่ต้องไปฝื้นมากไม่ต้องไปอดทนมากไม่ต้องไป สัมโรมระวังอะไรมันมากมันกิเล่มันมาพรับมันก็ง่ายมันก็ง่ายแล้วก็ดีใจปีติเป็นสุขสุขสงบไม่ใช่สุขเสพกิเลสไม่ใช่สุขสมอยากอยากกินเหล้าพอได้เหล้ามากินเป็นสุขนั่นกิเลสนั่นให้กิเลสอ้วนกิเลสมันได้กินเหล้าสมใจมันก็ก้วนแต่นี่ทําให้กิเลสมันตายมันคนละเรื่องกันนะอันนึ่ให้กิเลสมันอ้วนโตขึ้นใหญ่ขึ้นนั่นมันโลภี แต่นี่มันปุิถูชนไอ้นี่มันอาริยชนทำให้กิเลมันตายสุขเพราะกิเลมันตายสุขเพราะสิเกตมันสงบสุขเพราะเกตมันไม่แสดงบทบาทมันคนละทิตกันอันนี้เรียกว่าวูปัสมูสุกวูปัสมสุกหรืออุปสมสุกสุขอย่างชนิดทำให้มันเกิดได้เป็นได้สุขอย่างพิเศษไม่ใช่สุขอย่างโลกีคนละสุขนะสุขของโลกกับสุขของโลกุตระคนละทางกัน อันนี้สุขเพราะกิเลสมันดับลงได้ทำไน้มันก็ดีใจปิติสุขจนทําให้ปิติของเราซับซ่าดีเป็นสุขดีเหมือนกับทําให้มันเป็นเนื้อเป็นตัวของตัวเองเลยจนปิติมันไม่เกิดละมันไม่มีอาการเพราะมันชินหรือว่ามันเป็นแล้วมันยินดีเต็มเต็มที่แล้วมันสุขเต็มที่แล้วจนไม่ต้องไม่เกิดอาการสุขไม่เกิดอาการปิติอีกจึงเรียกว่าปิติสงบจึงเรียกว่าสุขสงบ นั่นคือชานสองชันสาถ้าปิติสงบสุขสงบเพราะมันไม่ไม่มีอาการแล้วจะเป็นอาการอย่างอ่อนอย่างแรกอย่างกลางหรืออย่างแพร่ซ่านมันเป็นภารนาปิติอยู่ก็ตามไม่มีอย่างนี้เป็นตัวดื้อสุขก็ไม่ได้ยึดติดในสุขและสุขก็เฉยเฉยอะทุกขมสุขเป็นชา้นที่สีอุเบกขาไม่มีสุขไม่มีทุกข์เพราะฉะนั้นถึงขั้นทําให้จิตเกิดคุณปฏิบัติเพื่อจะเลิกเล่าเห็นเล่าแล้วคุณก็ไม่แล้วตอนนี้ ไม่มีแม้แต่วิจกวิจารณ์ไม่มีแม้แต่ก็จะดีใจว่าคุณทําได้แล้วมันทายแล้วมันดีแล้วมันยินดีจนเลยยินดีไปแล้วสุขเป็นสงบความสงบจนเสพความสงบนี้จนสบายแล้วจนเฉยเฉยจนคนคุณเป็นธรรมชาติของความสงบละเออมันก็ปกติเรียกว่าเฉยเฉยอุเบกขา เริ่มต้นชานที่สนี่ท่านบอกว่าเริ่มต้นจะวานเริ่มต้นจะอุเบกขาพอสมควรพอไออาการของสุขสุขแบบโลกรุตระนะมันสงบลงหมดไม่มีสุขอย่างนั้นมัน ก, กลางๆลางะอาการของจิตเป็น ก, กลางๆเรียกว่าอุเบกขาหรืออทุกข์มสุขไม่สุขไม่ทุกข์เพราะเหตุแห่งทุกข์เราฆ่ามันยังดับสนิทเลยในเรื่องเล่าเท่านั้นแหละโสดาบัณ เป็นผลของโสดาบันเมื่อกี้อาตมาอธิบายถึงคุณธรรมของโสดาบันไอเรื่องนรกทั้งหลายแหล่นี่มันมีอีกสี่ขุมส่อย่างนะตั้งแต่เป็นนรกเป็นปิเปตเปตวิสัยเป็นเปรตเป็นไออะไรจะได้เป็นอวินิอันนี้เรียกว่าเป็นอบายภูมินะอบายภูมิทั้งหมดสี่อาตมาตัดไปว่านี่แหละเรากำลังฆ่าสัตว์ที่เป็นอบายภูมินี้โดยมีคุณธรรมอีกสี่หนึ่งเข้ากระแส โซตาปณะนะสองเอามินิปาตาธรรมไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาสามนิยตะเที่ยงแท้มั่นคงสี่สัมโพธิปรายณะนะหมายความว่ามีแต่สูงท่าเดียวไม่มีตกต่ําเลยไปสู่นิพพานท่าเดียวคุณธรรมสอย่างนี้จะเกิดจริงเป็นจริงที่จะอ่านได้ว่าตัวเราเป็นเออเราเข้ากระแสแล้วเออตอนนี้เราส ม, มุติเรื่องเล่าทีนี้สัมผัสสัมพันธ์กันเล่าเกี่ยวข้องกันเล่าอีกก็ เกินอาจารย์มาสมมติเป็นตัวเลขเมื่อกี้นี่เป็นทางคณิตศาสตร์ว่าโอ้ยมันเกิน5 0ามันเกิน 60% มันเกิน 70% ไปแล้วผลของมันเห็นเรามันก็ไม่มีอาการของกิเลสตัวนี้แล้วกิเลสตัวนี้เหลือน้อยๆ้จนกระทั่งมันนิยตตานีคุณสมบัติสูงจากเอาวินิปานธรรมเข้ากระแสแล้วก็เอาวินิปานธรรมไอเอาวินิพันธรรมเนี่ยยังยึกยักยึกยักแต่ไม่ตกต่ำลงไปหรอกไม่อยู่ในเวทีไม่ตกเวทียึกยักถอยหน้าจะหลัง ถ้าคุณเองอ่อนแอคุณก็แหมมินเ ม, ม, มวาดเสียวอยู่เรื่อยอะ่ะแต่ถ้าคุณแข็งแรงนี่เรื่อยมันก็ไม่ยึดยักมากจนกระทั่งไม่ยึดยักแล้วนิยตะแข็งแรงเที่ยงแท้มั่นคงไม่ถอยหลังเมื่อไม่ถอยหลังนิยตะก็มีแต่เดินหน้าสัมโพธิปรายนะหมายความไปสู่ความจัดสรุปอย่างเดียวสุดยอดคุณธรรมอันนี้เป็นคุณธรรมของพระโสดาบันนะ เพราะฉะนั้นผู้ใดอ่านกิเลตัวติดเล่าของเรานี่แหละซึ่งเราบอกเป็นตัวอย่างเป็นตุกตาแห่งการอธิบายนิพพานให้ฟังเมื่อคุณอ่านกิเลจจนกิเลมันได้ 60%, 70%, 8เจ0บดอร์ซนิโรธานุปัสสีถึงคณิกะสมาธิถึงอุปจาระสมาธิจิตใจของคุณเก่งมีวัสีแคลวคองเป็นวิวสีภูตะจิตของคุณมีอานาจมากขึ้นมากขึ้น จนกระทั่งเห็นเล่าก็เฉยมันจะยัว่วยุคนจะมายัว่วยุคนจะทําพิธียัว่วยุบังคับเฉยสบายกิเลนไม่เกิดไม่เกิดเลยนิโรธานุปัสสีเห็นความดับเป็นธรรมดาเห็นความดับไปเรื่อยจนกระทั่งแข็งแรงจริงๆขั้นปฏตินิสก า, านุปัสสีขั้นตามเห็นความสลัดคืนถ้าเรียกว่าท่านแปลเป็นภาษาวังนั้น ปฏิริสขะนี่แปลว่าการสลัดคืนสลัดคืนคืออะไรคือเราจะไปลำเมิดมันก็ไม่มีรถหรือแปลอีกในหนึ่งก็เรียกว่าสัจจะย้อนสภาพแปลอีกภาษาหนึ่งภาษากําลังภายในเขาก็แปลว่าสูงสุดคืนสู่สามัญสูงสุดมาเป็นต่ําก็ได้แต่ท่านไม่ได้ต่ําได้แล้วได้เลยแม่มาเหมือนคนกินเหล้าเหมือน อราหารันติกงสดเหล่าดำอะไรแล้วแต่จิต ท, ท่านไม่มีจริงๆจิต ท, ท่านไม่เป็นความสุขแต่ท่านทําเพราะเหตุของคนอื่นทําเพื่อผู้อื่นไม่ได้ทําบําเรอตนอริยเจ้าถึงขั้นอราหันต์ไม่มีการบําเรอตนไม่ดำบําเรอกิเลส ข, ของตนไม่บําเรอจิตใจของตนไม่บําเรอตนไม่มีนี่เป็นสัจจะ ถ้าคนยังมีอยู่ก็ต้องรู้ตัวเองว่าเรายังมบมเลอตอนอยู่ยังแลบเลีย น, ๆๆ น, นนิดๆหน่อยๆก็บมเลอตนนิดๆหน่อยๆคนอื่นไม่รู้ด้วยนะบมเลอนิดๆหน่อยๆเนี่ยคนอื่นไม่ควรรู้รู้ตามหรอกแต่ท่านเองท่านแลบเรียนอยู่ท่านก็ต้องรู้ตัวเองถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ตัวตัวเองท่านก็ตกต่ต้องท่านตัวของท่านเองแต่ถ้าท่านรู้ตัวแล้วก็ท่านก็ไม่ประมาทต้องจัดการ โทษภัยอันมีประมาณน้อยจัดการเกลี้ยงจัดการปรามจัดการกำราบกำจัดไปเรื่อยๆจนมันดับสนิทถาวรแม้จะกลับไปกลับมาแม้จะทำทวนซ้าทวนซากแม้จะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้แม้จะมีลีลาอย่างไรอย่างไรอีกทุกขบวนท่าเป็นอิทธิวิธีก็มีฤทธิ์สามารถปราบกิเลสตัวนี้ได้ครบขบวนท่า เป็นการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการแสดงลิต ท, ทางจิตมีสับใหม่ๆที่อยากจะอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้คือสั์เกี่ยวกับเรื่องวสีภูตะคณิกะสมาธินิโรธานุปสัสีอุเบขาซึ่งศัพท์แต่ละสับเนี่ยเป็นศัพท์ที่หลายคนไม่จะไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องสูงโดยจะว่าอย่างยิ่งอุเบขาจิตเฉยๆคําว่าเฉยๆเนี่ยหลายคนไปเข้าใจผิดคิดว่า เฉยแบบเดอ๋อแต่จริงๆอุเบกขาในทางพุทธศาสนาเนี่ยเป็นขั้นฌานสี่จะต้องผ่านระดับวิตกวิจารผ่านระดับปิติผ่านระดับสุขจึงถึงซึ่งอุเบกขาเป็นฌานที่สี่เราทำให้ได้คิดจากคําอธิบายของพ่อท่านเมื่อสักครู่นี้ประการหนึ่งว่าแม้ที่สุดคนที่กําลังปฏิบัติเคร่งคุมยัง ยังไม่เข้าที่เข้าทางอ่ะนีก็ยังถือว่าคนคนนั้นกํนาลังปฏิบัติฌานหลายคนไปเข้าใจว่าฌานก็คือการนั่งฌานนั่งหลับตาการนั่งหลับตาสะกดจิตดับดิ่งจนจิตนั่นก็เป็นนะเป็นฌานเหมือนกันฌานเขาดูดษีฌาน<ว>อีนแบบหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่สัมมาฌานไม่ใช่ฌ า, านคำอธิบายของพ่อท่านในวันนี้ทําให้เราได้เข้าใจความหมายคำว่าฌานอ่นะนะีว่าการเพ่งรู้และการเพ่งเผาจริง ในหนังสือทางเอกเนี่ยพอท่านได้ได้แยกคาว่าเพ่งรู้กับเพ่งเผาออกจากกันเป็นคำว่ายานกับฌานถ้าใครอ่านหนังสือทางเอกเก็จะรู้ว่ายานคือการเพ่งรู้ฌานคือการเพ่งเผาแต่เมื่อสักครู่นี้ที่พ่อท่านอธิบายคำว่าฌานเพียงอย่างเดียวเนี่ยเพราะว่ายานกับฌานเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฌาน ท, ที่ไม่มียานไม่ได้ฌานที่ไม่มีปัญญาไม่จะฌาน ชาญต้องมียานในยานก็ต้องมีชาญดูจะมีภาษาบาลีที่พรอท่านเคยอธิบายว่านัตถิชานังอปัญยสสะนัตติปัญญาชายโนอันนี้จำมาจากพ่อท่านอันนี้ผิดนิดหน่อยจริงๆเป็นนัตถิชานังอปั ญ, ญัสสะ นัติอะไรนัตถิชานังอปัญญยสสะมันมีมันมันสลับอยู่บาลีอันนี้มันไม่เคยจำสักทีนึงแปลกจังเลยมันน่าจะจำให้ได้สักทีนะอาชายโตแหละฮะอาชายโตนัตถิปันนัตถิอปัญยสสะนัตถิ บัญญาอัจฉริยะโตคือมันมันอาจจะไม่แน่ใจงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเฉพาะภาษาไทยคือท่านตรัสไว้ว่าในฌานต้องมีปัญญาหรือมียานถ้าในฌานไม่มียานอันนั้นไม่ใช่ฌานอันนี้เป็นคําแปลง่ายๆเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้หลายคนจึงตั้งข้อสังเกตไว้ทําไมเพราะท่านจึงพูดคําว่าฌานนั่นแหลคือการเพ่งรู้และเพ่งเผาเขายืนยันว่าในฌานต้องมียานอยู่แล้วอ่ะ ฌานคืออะไรคําอธิบายเมื่อสักครู่นี้ชัดเจนมากฌานคือการทําให้กิเลสดับฌานคือการทําให้กิเลสสูญจะด้วยกระบวนการสมรถภาวนาก็ตามหรือกระบวนการวิปัสสนาภาวนาก็ตามแต่พระท่านพยายามอธิบายว่ากระบวนการวิปัสสนาภาวนานี่แหละที่จะทําให้สูญสนิทแบบเด็ดขาดแต่ในส่วนของสมถภาวนาเนี่ยยังไม่เด็ดขาด อย่างไม่จริงจังเป็นอุปการะเป็นการเพื่อกูลเพื่อให้จิตของเราเนี่ยหมดจากกิเลสในเรื่องนั้นๆเป็นช่วยเป็นสิ่งช่วยแต่ที่สุดแล้วเนี่ยจะต้องใช้ยานใช้ปัญญาใช้กระบวนการวิปัสสนาแล้วต้องเข้าใจว่าจริงๆวิปัสสนาก็ไม่ใช่การนั่งหลับตา อ, อย่างบาเพ็ญวิปัสสนากำหนดวิปัสสนาเนี่ย จริงๆวิปัสสนาต้องทั้งหลับตาลืมตายืนเดินนั่งนอนปฏิบัติหมดเพราะท่านอธิบายเกี่ยวกับเรื่องอาการเอาชนะเล่าการเอาชนะบุตรีจนกระทั่งเราจะต้องเข้าสู่ภาวะสี่ประการ 1. เข้ากระแส 2. ไม่ตกตำ่ำามเที่ยงแท้มั่นคง 4. มีแต่สูงท่าเดียวอ่ะมีแต่สูงท่าเดียวก็คือจะต้องไปสู่พระนิพพานอย่างแน่นอน พระน้ำคำว่าอุเบกขาจึงเป็นความหมายที่พระท่านอธิบายในความหมายของฌานสี่อย่าไปเข้าใจว่าอุเบกขาก็คือเฉยเดอ้อเฉยแบบไม่รู้ไม่ชี้ในธรรมมไม่พังกระสุดในธรรมมาไม่พังกระสุท่านท่านท่านท่า น, า น, านตัดไปชัดว่าคุณองค์ธรรมหรือคุณสมบัติของอุเบกขามีหนึ่งปริสุทธาสองประโยชธาตาสามมุทุสกกัมมัญญาห้าปปัตสราปริสุทธาคือบริสุทธ์บริสุทธ พ้นทุกประโยชนาตาคือพ้นทุกพ้นทุกมีบางท่านเห็นเพราะท่านเคยแปลว่าขาวขาวรอบของแพลวพอดีตาตาพ้นทุกเด็ดขาดใช่ครับมุทุแปลว่าจิตนั้นเป็นจิตหัวอ่อนแปลไม่มีคําไม่มีคําไหนดีกว่านี้แล้วคือดับได้ง่ายด้วยปรับได้ง่ายด้วยหัวอ่อนเป็นจิตหัวอ่อนมุทุแปลว่าอ่อนคือจิตนี่หัวอ่อนครับจิตนี้ก็คือกิเลสในจิตนั่นแหละมันถูก กำราบมันถูกปราบมาจนกระทั่งกลายเป็นตัวเ ช, ช, ชื่องและเชื่องและอ่อนละคือรู้ก็เร็วดับหรือปรับมันก็ง่ายรเรียกว่ามุธุรกรรมัญญาคือพร้อมเหมาะควรกับการ <นะ S 2> งานใดๆทั้งปวง<อ>เพราะฉะนั้นการอุเบกขาไม่ใช่ว่าไม่เอางานไม่เอาเรื่องไม่เอาฐานไม่ใช่เป็นยิ่งเป็นจิตที่เหมาะควรกับการงานกรรมัญญา มีปัญญาประกอบในการงานนั้นอย่างยิ่งกัมมะบวกอัญญาใช่ครับผมเป็นมีปัญญาอย่างไม่ใช่ปัญญาสามัญเปืนปัญญาชั้นเดชเหมาะกับการงานอันนั้นอย่างยิ่งเป็นกัมปัญญาเป็นอัญญาคือจริงๆผมเข้าใจจากคําสอนของพ่อท่านว่าปัญญาในระดับอัญญาเนี่ยเป็นปัญญารู้แจ้งอเป็นปัญญาตรัสรู้ใช่เป็นปัญญาสูงเป็นปัญญาชั้นสูงอย่างชั้นอาริยะตอนที่ พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมสั่งสอนปัญจวัคคีห้ากรทัญญาวัปปะพัทิยะมหานามอสชิผู้ที่เข้าถึงอัญญาคนแรกก็คือกรทัญญะกระทั่งมีคำอุทานว่าอัญญาสิวัตโพกรทัญโยกรทัญญารู้แล้วหนออัญญานี่คือรู้ตัวนี้แล้วอัญญาเนี่ยนะคือตัวปัญญาที่รู้แจ้งในอริยธรรมในอริยธรรมซึ่ง ถ้าใครจะใช้คําว่าอัญญาในความหมายที่เป็นปัญญาที่ลึกซึ้งเนี่ยเพราะทุกวันนี้ปัญญาเนี่ยเราไปเข้าใจความหมายเป็นปัญญาความรู้ทางโลกกันไปเสียอเพราะฉะนัมม้นกรรมปัญญาก็คือการทํากรรมด้วยปัญญาของอริยะกรรมปัญญาประกอบด้วยคําว่ากรร ม, มะบวกอัญญาแปลว่าทํากรรมด้วยปัญญาของอริยะใช่ใชประพัสราเป็นจิตผ่องใสจิตผ่องใสคือจิตที่ไม่มีกิเลสเป็นไฟฟ้าราคี ผ่องแผ่วเววาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องเข้าใจคำว่าอุเบกขาตามในยะของพุทธให้ชัดเจนประกอบด้วยปริสุทธาคือบริสุทธิ<ม>์ปริโยธาตาข่าวรอบอมุมม ท, ทุแววยัยหัวอ่อนว่าง่ายเชื่องอแล้วก็กรรมัญญาแปลว่าควรแกการงานป ร, ปริขอโทษนะประะิปภพพัล ร, ร, ราขอโทษ มณ์มีการไม่ท่องบ่นเป็นมณนทินเนี่ยนะก็ บ, บอกมีของกินไม่กินก็เน่ามีของเก่าไม่เล่าก็ลืมอ่ะขอบคุณที่พ่อท่านกรุณาทบทวนในเรื่องนี้เพะนั้นขอนี้มณ์พ่อท่านต่อในประเด็นที่พ่อท่านต้องการจะให้สมบูรณ์ได้เลยนะครับอ้าวต้องขออภัยมากนะว่าาอธิบายไปแล้วว่าตอนนี้คอมันชักเสื่อมแล้วนะเพราะว่าอายุยาวขึ้นมาแต่ยังไม่แก่นะอายุมันยาวขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมไปเป็นธรรมดานะมันไม่มีอะไร นะซ่อมแซมก็ยังไม่ได้ซ่อมแซมถึงวาระหนักสุดที่มันคงจะต้องผ่าตัดคือมันมั น, ม, นมันก็เอาละไปพูดไปก็เถอะนะก็ขอเวลาเอามาอธิบายธรรมะดีกว่านะมันเป็นอาการเป็นธรมธรมชา ต, แติแต่จริงๆตรงนี้ก็คือธรรมะครับพ่อท่านครับความเสื่อมที่เกิดขึ้นกับคอของพ่อท่านเนี่ยมันเป็นข้อบ่งชี้ว่าอะไรอะไรก็ตามนมใ<ว>ะในพระไตรปิฎกได้กล่าวไ ว, ว้ว่าวยะธรรมมาสังขารา อปามาเทนะสัมปาเทถะใช่วยะแปลว่าเสื่อมวยะทรมาสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเธอเพราะฉะนั้นผมเองก็จะช่วยช่วยรักษาคอพ่อท่านนะเนี่ยโดยด้วยการเอาคอของผมไปแทนนะเนี่ยในบางครั้งบางเรื่องนะเนี่ครับนิมนต์ครับพ่ท่านครับว่าทีนี้ก็เรามาอธิบายเจาะลงไปอีกว่าถึงขั้นอุเบกขาอุเบกขาก็คือเป็น ฐานนิพพานเป็นฐานจิตของนิพพานอุเบกขาไม่ใช่วางเฉยมันมีแบบโลกีถ้าอุเบกขาโลกีถ้าเรียกว่าเคหะสิตะอุเบกขาเวท น, า, นาเป็นเวทนาเป็นอารมูปเบกขาแบบชาวบ้านแบบปุถุชนถ้าเป็นเนคเคเนคข ม, มะสิตะอุเบกขาเวทนาเป็นอารมอุเบกขาที่เป็นของผู้ปฏิบัติ ออกจากกิเลสได้เนคขมะการออกจากกิเลสออกจากโลกีมาได้แล้วผู้ใดปฏิบัติถึงภูมธรรมมีอุเบกขาดังกล่าวนี้อุเบกขาต้องแยกให้ชัดนะผู้ที่มีญาณปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้ถึงเวทนาร้อยแเนี่ยจะแบ่งแยกออกจริงๆเลยว่าลักษณะของภูมธรรมอย่างโลกุตระนั้นอย่างหนึ่งคือเนคขมะภูมธรรมอย่างปุถุชนอย่างชาวบ้านนั้นอย่างหนึ่ง คือเคหสิตะในธรรมสิตะเป็นอย่างอาริยชนเป็นอย่างนักบวชของพระพุทธเจ้าส่วนเคหะสิตะนั้นเป็นอย่างชาวโลกโลกปุถิชนจะเป็นสมมนัตก็ตามจะเป็นโทมมนัตก็ตามก็ชาวโลกโลกก็ทุกข์ก็สุขไปสมมนัตก็สุขโทมมานัตก็ทุกข์ไปตามชาวโลกเคหะสิตะสมมนัตเวทนา เคหสิตะโทมนัตเวทนาอุเบคหสิตะอุเบขาเวทนาก็เป็นอย่างเช้าโลกโลกนะส่วนทางธรรมะนั้นจะต้องรู้ชัดเจนเลยว่าอ๋ออารมณ์ของเนคขมมะเนคขมมะสิตะสมมนัตเธอมันดีใจเป็นปีติก็ตามเป็นสุขก็ตามมันดีใจอย่างอย่างโลกอย่างโลกุตระเพราะว่าเรามีผลทางธรรมเป็นสมมนัตอยู่อะไรก็ว่าไปหรือมันยังเป็นโทมนัตโอ้โหมันยังทุกข์อยู่นะ มันยังปฏิบัติแต่เรารู้ว่าเราเราเนกเนกขมมะเราพยายามฝืนนะพยายามอดทนนพยายามกดขม่มหรือเราพยายามที่จะลากสู้กับกิเลยัยงแหมฟันต่อฟันตาต่อตาเลยดาบต่อดาบปืนต่อปืนเลยนะกำลังสู้กันอยู่มันก็ยังลําบากยังทุกข์ก็เป็นโทมนัตเป็นเนกขมมะสิตาทโทมานาเวทนาเราก็รู้ว่าโอ้เราปฏิบัติแม้มันจะทุกทุกอย่างที่เราทุกเพราะเราทุกเพื่ออ อ, อกจากโลคียะ ทุกเพื่อออกจากสิ่งที่ควรจะออกมันก็จะมียานรู้ความจริงว่าเราทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์เพราะว่าจะต้องไปหาทางโลกโลกให้หากิเลสมันมาบำเบลตัวเองหนาขึ้นอยากดื่มเหล้าก็เลยไปหาเหล้ามาแหมมันดิ้นรนมันทุกข์ทุกข์ก็ไปหาเหล้ามาให้มันสุกซะบําเบอมันซะกิเลมันก็อ้วนทุกข์มันก็ไม่ได้ดับไปเพราะทุกข์มันก็ยิ่งเหตุแห่งทุกข์มันก็ยิ่งโต แต่ถ้าเผื่อว่าเราต่อสู้กับกิเลสไมห้มันอยากกินเน่ามันทุกข์ทุกข์กเราก็สู้มันสู้มันไม่ให้มันกินพยายามใช้วิธีทั้งวิปัสนาธุระทั้งวิปัสนาธุระทั้งสมถะธุระอะไรก็ตามจะปฏิบัติสังวรระวังปฏิบัติสู้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยการอดทนโดยการกดข่มสัจธรรมขันติจาระจนกระทั่งมัน จาฆ่าได้บริจาคได้หรือว่าเนคข ม, ม่าได้เอาออกได้สละได้ทุกอย่างจางคลายได้คุณก็จะเบาลงเบาลงคุณก็จะสุขสุขอันนี้จึงเป็นการสุขคนละเรื่องกันกันกนบบัมเรอโลกีบัมเรอแต่อันนี้สุขเพราะจิตสงบจากกิเลสลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย เ, อยเอยมันคนละทางกันเพราะเนคขมสมิตะสมนัติก็ตามทูตธมนะก็ตามหรืออุบเบกขาก็ตามมันคนละเรื่องกัน ถ้าผู้ใดอ่านกิเลสไม่จะอ่านกิเลสหรอกอ่านเวทนาในเวทนานี่เป็นเวทนา36มสลักษณะพระท่านจะแบ่งถึงขั้นเคหสิตะกับเนกขมสิตะนี่ต้องไปดูในพระติตปิดกาอาตมาจำไม่ได้ว่าอยู่ในเล่มไหนแต่ถ้าไม่ได้อธิบายมากหรอกท่านตรัสแบ่งไว้ให้ฟังเท่านั้นเองแต่อาตมาเข้าใจอาตมาก็เลยอธิบายเพราเราฟัง เพื่อเราจะได้เอาไปใช้ไปศึกษาได้ใช้ไดนะ้เพราะว่าอาตมามนในพระธรรมปิฎกเทรวาทมีเท่านี้แต่อาตมาเชื่อว่าในพระธตรมปิฎกของมหายานคงจะมีอธิบาย ล, ละเอียดกว่านี้ในพระธตรมปิฎกของเทรวาสเขาไปศึกษาถ้าขั้นอภิธรรมอาตมาไม่ค่อยได้อ่านพระอภิธรรมของเทรวาทเท่าไหร่อ่านบ้างแต่น้อยดูเหมือนจะไม่มีอธิบาย ล, ละเอียดละออเหมือนอย่างที่อาตมาอธิบายให้ฟังก็ไม่เป็นไรฟังอาตมาจะพึงเชื่อก็พึงเอาไปพิสูจน์ดู ถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรไม่พึ่งเชื่อไม่เชื่อก็คนนั้นเขาก็ไม่ปฏิบัติเองไม่มีปัญหาอาตมาไม่มีปัญหาอะไรเพราะอาตมาไม่ได้มาโฆษณาสินค้าไม่ได้มาขายสินค้าอาตมาเอาสิ่งที่ดีมาฝากถ้าใครชอบยินดีก็เอาไปทําเท่านั้นเองอาตมาไม่ได้ต้องการเพื่อที่จะเอามาแลกลาบแลกยอดแลกสันเสริญอะไรไม่ได้ต้องการแลกเปลี่ยนไม่ต้องการล่าบริวารด้วยแต่ถ้าใครจะเอาไปไปทำได้มากได้ผลมันก็ดีจะได้เป็นสาวกพระพุทธเจ้าเพราะอาตมายืนยันว่าอาตมาเอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอด เพราะฉะนั้นอคุณได้ฟังตามก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าคุณก็เป็นสาวกพระพุทธเจ้าคนใดคนหนึ่งเท่ากั น, นเมื่อเราสามารถอ่านเวทนาในเวทนาอ่านอุเบกขาอย่างเนกขมสิตอุเบกขาได้ฐานนิพพานนี่แหละเป็นการวางเฉยแล้วกิเลสมันมานี่มันก็ไม่ทุกข์ไม่สุขมันจะมากระแทกกระทั่งจะมีผัสสะเป็นปัจจัยอย่างไร เกิดวิญญาณก็วิญญาณเราก็รู้แล้ววิญญาณเราสะอาดแล้วนี่ไม่มีกิเลสนี่โรธานุปัตสีปัตินิสกานุปัตสีตามเห็นแมมเราจะทําอย่างไรจะตั้งใจไม่ตั้งใจจะเผลอไม่เผล อ, อทําเป็นลีลาต่างๆมาในลีลาไหนๆกลับคืนสู่สภาพเหมือนกับเราที่ไม่เคยไม่เคยปฏิบัติเหมือนอย่างบุตรชนก็เป็น เขาจะเกี่ยวของกุ๊กกรีเขาจะมียางเงินอย่างนี้อยู่กับโลกที่มีเหล้ามียาเราก็ไม่แล้วจิตมันก็กล่อนสะอาดแม้ที่สุดจะเอามาดื่มก็เฉยเฉยเฉยเฉยคือไม่มีรสอร่อยของของอัศราทะของมันแต่ก่อนกินเหล้าดื่มเหล้ากันโอ้มีรสอร่อยมันสนุกมันเพลิดเพลินมันมีสุขแบบโลกีเป็นอัศราทะแต่ตอนนี้แล้วงั้นไม่เลยมันจะชัด ความไม่มีตัวตนของกิเลสความไม่มีตัวตนของอกุศลเจตสิกที่เป็นอัาทะเป็นความสนุกเพลิดเพลินเป็นความอร่อยเป็นรสโลกียรสมันไม่มีจริงๆคุณจะมียานอ่านออกว่าเราดับสนิทซึ่งโลกียะความอยากก็ไม่มีความเป็นโลกีรสความเป็นกามสุขไม่มี ไม่มีจริงๆนี่คัมมะสนิทอันนี้ต้องมียานอ่านออกของตนเองว่าคุณถึงแล้วซึ่งความดับสนิทถ้ามันดับไม่เกิดอีกเลยคุณทําไปหนึ่งครั้งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งมันก็ไม่มีตัวแวบไม่มีตัวตัวที่มันวิมุดจอนขาอาไปไม่ใช่วิอมอะวิมุดจร คือตัวที่ไม่ใช่ตัวหลุดพ้นผีหลอกหรือเปล่าผีหลอกพี่หลอกอะไรหลอกตัวเล็กๆนิน่อยตัวขี้มาหลอกมาหลอนเล็กๆน้อยแป๊บๆก็ปั๊บไม่เหลือเลยคุณก็จะมียานอ่านตัวละเอียดละอตัวนี้เข้าใจตัวเองได้ครับนี่แหละท่านให้ตรวจเจโตปริญานสิบหให้ตรวจตัวเนี้ยอนุตรจิตจะตรวจสองอย่างหนึ่งตรวจสมาหิตังสองตรวจวิมุติสมาหิตังคือสมาธิความแข็งแรงตั้งมันครับกับ ตัวสะอาดบริสุทธิ์วิมุตต์สะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นวิมุตต์ตรวจสองอย่างนี้ถ้ามันแข็งแรงเด็ดขาดเลยมันแข็งแรงตั้งมั่นเป็นอัปปนาสมาธิหรือเป็นสมาธิอันธาวรมันแข็งแรงมันไม่มีการอ่อนแออ่อนแปรอ่อนเปียกอะไรอีกมันไม่มีมันนิจังทุวังสัตสตังวิปริณามธรรมังอย่างที่อาตมาว่าไปแล้วที่ภูมิปัญญาธ่ามตัดไว้หมดแล้วอธิบายรอบด้านไม่หมดละ วิมุตต์เด็ดขาดไม่มีอวิมุตต์จรนะวิมุตต์หลุดพ้นเด็ดขาดเลยไม่มีการวอบกันแบบไม่มีอะไรเลยอย่างนี้คือลักษณะของอนุตรังจิตตังเป็นเจโตปริญานข้อที่เท่าไหร่อะเกือบสุดท้ายแล้วนะมันมีอัสมาหิตะอวิมุตตะอเนียตะสี่ห้าเป็นประตูโดยที่มันมีสิบหก็ตัวสิบสองสิบสามสิสี่สิบห้าสิบหก ใช่ตัว12 13 14 15 16่าตัวอนุตรังจิตตังคือจิตที่เป็นอนุตรจิตเป็นจิตที่เหนือโลกียะอย่างสมบูรณ์เพราะมันมีสมาฮิตังเพราะมันมีวิมุตตวิมุตตจิตอย่างสมบูรณ์คุณจะต้องมีเจโตปริยานซึ่งเป็นวิชาข้อที่เท่าไรวิปัชนา มีมโนมยิทธิมีอิทธิวิธีมีโสตทิปมีเจตตโอปริยานข้อที่หมีปรสนามโนมยิทธิอิทธิวิธีโสตทิปแล้วก็เจโตโอปริยานข้อที่หมีวิชาข้อที่หและในวิชาข้อที่หก็ต้องมีความรู้ในองค์ธรรมต่างๆของวิชามีสิมี16ภาษา16ภาษาบาลีมันมีตั้งแต่สักราคะสะโทสะโมหะมี่สมแล้ว วิตาราคะวิตตโทสะวิตโมหะนี่อีกสมเป็นหและและจากนั้นคุณก็สามารถทำให้มันลดได้แต่ยังมีวิตกวิจาร์มันเป็นสังกิตตังจิตตังกับวิกิตตังจิตตังอีกคู่หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นมันกดขม่มหรือว่ามันทำให้มันลดได้แล้วแต่มันก็ยังไม่คล่องยังไม่ดียังไม่มีวสีนะมันยัง ต้องกดต้องคมต้องหดต้องหูด้วยต้องกระเด็นกระเส็นกระสายอะไรวิกฤตต่างจิตต่าท่านแปลง่ายง่ายเป็นภาษาไทยว่าฟุ้งซ่านกับหดหูซึ่งจริงจริงมันมีลักษณะของสภาวะซึ่งอาตมามีสภาวะก็เอามาอธิบายสู่ฟังต้องทำให้มันดียิ่งขึ้นเป็นมหาคตตะถ้าคุณทาให้ดียิ่งขึ้นคุณก็เป็นอัมหาคตตะนี่เป็นอีกลักษณะหนึ่งของเจโตปริยานจนมันดีเป็นสัตอุตรังจิตตังจิตที่ดีแต่มันยังไม่ที่สุดท่านแปลเป็นภาษาไทยว่าสะอาด สอุตรังจิตตังว่าจิตที่ดีกว่านี้ยังมีอีกให้อัตมาชมทุกทีว่าท่านแปลเป็นภาษาไทยได้ดีมากเลยคือจิตมันดีแล้วล่ะแต่มันดีกว่านี้ยังมีอีกเราจะไม่ยานรู้เลยเจโตปริญาณเนี่ยยานของเราจะรู้เลยว่าเออมันใหม่มันดีมากแล้วแต่ ม, มันยังไม่จบมันยังดีกว่านี้มีอีกต้องทําให้เป็นอนุตรังจิตตังให้ได้ซึ่งก็คือต้องภาคเพียรทําไปอีกมีอาเซวันนามี ภาวนามีพระหุลีกรรมังซ้ําไปอีกทําไปทําไปให้มากจนมันเป็นอนุตรังจิตตังคือเป็นสมาหิตะเป็นวิมุตต์อย่างสมบูรณ์อย่างที่กล่าวแล้วมีเจโตปริญานรู้แจ้งเจโตปริญานไม่ใช่ภาษามาท่องแต่มันมีวิชามีญาณอนันนี้ต้องรู้แจ้งเห็นจริงอันนี้จึงจะเรียกเป็นพระอรหันต์จึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าไม่งั้นคุณไม่รู้ว่าจิตมันเป็นอนุตรังจิตตังแล้วจิตจบกิจแล้วมีกัตยานแ ล, แล้วคุณไม่มีญาณรู้แล้วคุณไปเอาอะไรมารู้อ่ะคุณให้คนมาบอก ใครจะมาบอกคุณเพราะผู้ย่อสอนให้คุณเป็นปัจจตังเมทิตาโพมิยูหิต้องรู้ได้ด้วยตนไม่จะให้อาจารย์มาบอกใ้ยานห้าแล้วได้ญานแปดในยานสิบหกแล้ ว, 8, ลวอะไรนี่นั่นอกทางญญาวุทยาสอนพิทยาสอนไม่ต้องเป็นปจัจจตังเมทิตาโพมิยูหิต้องรู้ได้ด้วยตนแล้วต้องมียานรู้อย่างนี้แม้แต่เป็นโสดาบันก็ต้องรู้หรือจะมีเป็นโสดาบันนี่แหละกิเลสวิมุตติกิเลส ด, ดับสนิทในเรื่องเล่าในเรื่องโลกอบายคุณก็มีสิทที่จะมียานรู้ตัวนี้ เพราะฉะน้นยิ่งเป็นโสดาบันที่มียานรู้ตัวจบตัวสมบูรณ์ตัวเด็ดขาดอัลแล้วไม่มีที่จะกลับฟื้นอีกสุดยอดนั่นแหละคุณมียานที่แท้และคุณจะรู้ตัวนี้คือตัวถอนอาสวะสิน้นเป็นกัตายานเพราะตรวจมาหมดแล้วตั้งสัจญานกิจยานกตายานมียานที่จะรู้ตัวจบแล้วจบกิจแล้วไม่ฟื้นอีก ปฏิญาได้เลยว่าเราเป็นโซดาบันอบายมุกเรื่องเล่าไม่มีอีกแล้วต่อไปนี้ฉันจะตายไม่ฟืน้นกิเลสตายนีย่ไม่ใช่ร่างกายตายฟังให้เรียนนิพพานนี่กิเลสตายตายไม่ฟืน้นมันจะมมเมื่ อ, อไรอีกมันก็ไม่ฟืน้นคุณทําหน้าแต่ในชาตินี้ชาติหน้าก็ต่อไปเลยชาติหน้าก็ไม่ติดอกีกชาตินี้อาตมามาพูดให้ฟังอาตมามหัดกินเหล้าแทบเป็นแทตายมันกินแล้วมันก็ไม่ติดกินแล้วมันก็ไม่ไดเรื่องใดเล่าอะไร ทรมานทรกรรมนะหัดดูดยาตูไปก็ไม่ได้เรื่องได้แล้วดูดไปเท่าไรก็เท่านะไม่ได้เรื่องไดแล้วเนี่ยโรคมันหลอกเราให้เป็นหองอัตมาไม่รู้ตัวนะตอนนั้นโอ้นึกว่าเราไม่แมนไม่ดูดยาไม่เป็นกินเหล้าไม่เก่งนึกไม่แมนมันต้องโอ้มันต้องดูดยาเท่ๆต้องกินเหล้าต้องเล่นการพานันต้องจีบหญิงเก่งๆอะไรเงี้ยจีบหญิงก็ไม่เป็นโอ้มีแต่ผู้หญิงหัดออกเอา ไม่ได้เรื่องเลยก็นึกว่าเรานี่ไม่ได้า่าแต่ที่ไหนได้เรามันหลุดพ้นเรื่องเหล่านี้มาแล้วมันมีบารมีแล้วมันก็เลยไม่อัตมาไม่เจียตนาจะไม่แต่งงานนะอู้จีบยิงจี บ, จ, บจังเลยตั้งใจจริงเยต้องแต่งงานให้ได้คนเราก็ต้องแต่งงานใช่ไหมพยายามมันไม่สําเร็จบารมีมันหลุดพน้นถ้าไม่งั้นอัตมาไม่มีบารมีป่านนี้อัตมาไม่ได้มาเจอพวกคุณหรอป่านนี้ถูกอะไรคดข้าไปดักแล เซตอีดํางไวแล้วตอไปครับ <c oughs> อ่าจริงๆนะนีน่มันบา ร, รมีอัตมา ถ, ถึงจะเชื่อมันในกรรมในวิบากว่าเราสร้างวิบากไวเ้เถิดกุศลวิบากที่เป็นโกโล ก, กุตระวิบากน่ะเป็นสัมภระวิบากที่เป็นกุศลทางโล ก, กุตระด้วยยิ่งวิเศษเพราะมันมีความเที่ยงแท้มันมีความคงทนแม้เราจะพยายามดือ้อดึงดันมาโลกมันหลอกเราอัตมารเรียกว่าลิงลมอมกุกพอง โลกมันหลอกแลาต้องไปนี้ต้องไปกินเหล้าต้องไปเอื่อนตงจะเป็นแมนเป็นอะไรมันหลอกแล้วก็เชื่อไปตามเขาไปพักหนึ่งแล้วพยายามเท่าไหรมันก็ไม่ติดแต่พวกคุณไม่ได้มีบุญอย่างนี้อ ย, นะอย่าเชียวนะอย่าไปลองเข้านะแล้วอย่าหาว่าอาตมาไม่เตือนอตกนระกหมกไหมผุดไป ผ, ผุดไม่เกิดขึ้นมาไม่ได้าหาว่าอาตมายุไม่ใช่ไอ้อ้าว อ, อย่างช่างขี้อย่าขี้ตามช้าง ท่านผู้มีภูมิฐานของท่านเรื่องของท่านแต่อาตมาเล่าสู่ฟังว่ามันนี่เป็นเรื่องกรรมบิบากเราสั่งสมแล้วเราทำแล้วเราทำมีภาวะปัจจัยของเราแล้วมันเป็นเรื่องของเรามันถึงขั้นอามาสรุปเดยวเวลานิดหน่อยเมื่อเราทำสะอาดได้แล้วถาวรจริงคุณจะรู้ได้ในญาณของตนจึงเรียกว่าอริยสัจสี่พร้อมด้วยปริวัตรสามทุกพระกินเลา เหตุแห่งทุกเราก็จับมันได้วิธีดับทุกขปฏิบัติมรคองแปดลืมตานี่แหละปฏิบัติองค์เจ็ดองค์เจ็ดของมรคในมหาจัตตารีสักสูตรนะพระแต่ปิหกเริ่ม14บสน่ะข้อห้ายาไม่ใช่500 252ถึง281ยนะยาวสูตรนี้ยาวเนี่นะทารติบายไว้ว่าปฏิบัติสมาธิสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าน่ะคือสั่งสมจิตให้ตั้งมันเนี่ยก็ปฏิบัติด้วยมรคองคป ปฏิบัติมรรคเจ็ดองท่านตรัสไปชัดแล้วจะเกิดสัมมาสมาธิไม่ใช่ไปปฏิบัตินั่งหลับตาแล้วเกิดสมาธิไม่ใช่ปฏิบัติมรรคเจ็ดองตั้งแต่สมาธิฐิไปถึงสมาถสตินะพอแล้ตัวปฏิบัติจริงก็สังกัปปวารจากรรมันตะอาชีวะลืมตาจะดัมเบมันมีดัมเบเรื่องของกิเลสเรื่องของจะกินเหล้ารู้ให้ทันมันจะไปพูดจาภาษาอะไรที่มันจะไปต้องให้ให้คนอ้อเราม่ให้กินแล้วเราก็จะได้กินเหล้า หรือว่ามันจะไประเมิดในการพูดแล้วน่าอายไปพูดเรื่องกินเหล้าเห็นดีก็เล่าไปอร่อยก็เล่าอะไรอยู่อย่างนี้มันจะรู้สึกกิเลสอุปะเองหรือแม้แต่การประพฤติ ท, ทุกอย่างกายกายรมวิจิกรรมมโนกรรมกรรมมันตัดหรือในทุกกรรมกิริยาของคุณคุณก็จะต้องรู้ว่าคุณจะเลิกเล่าอะไรมาเกี่ยวคุณก็จะต้องไม่ไปทีให้มันกิเลสโตจะต้องลดกิเลสทุกขณะไป ยิ่งประกอบอาชีพเกี่ยวกับเล่ากระยาที่มันจะมาทําให้เล่ามาทําให้เราจมไปกระเล่าอีกคุณก็ต้องเลิกอาชีพเหล่านั้นนะอย่างนี้เป็นต้นปฏิบัติในมรรคองแปดลืมตานี่แหละทุกขณะจิตจนจับสัตยะได้รู้เหตุแห่งทุกดับเหตุแห่งทุกในสัตยะทิฏฐิสูตรมิจฉาทิฏฐิสูตรกิเลสมันโตเป็นเป็นปุถุชนระดับกิเลได้วิราค่าได้เป็นอริยะจนนิโรธาจนปฏินิสสัทธะ ดับได้สนิทนั่นคือคุณดับสักกายะหรือดับอัตตาลงไปเรื่อยๆจนถึงอาสะวะแล้วก็ดับอาสะวะสิน้นสิ้นอัตตาหรืออนุสัยคุณก็หมดอัตตาเป็นอัตตานุทิฏฐิสูตรเป็นอนัตตาในสูตรของพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อสอง้าิีิิชพ้นมิชัทิฏฐิสูตร 25 254เป็นพ้นวิชาที่สองร้5ยมันต่อกัน3ามสูตรนี้ก็พ้นสักกายะทิฏฐิโดยความเป็นทุกข์ทุกขโตอ่าเพราะว่าเรารู้เหตุแห่งทุกข์รู้ความเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ดับมีวิธีดับเหตุแห่งทุกข์จนนิโรธจนดับทุกตัวนั้นได้ ด, ดับเหตุแห่งทุกตัวนั้นได้ก็คือพ้นสูตรที่3อัตานุทิฏฐิสูตรข้อ256 นในพระตําแห่กเล็บสิบเนี่ยโดยความเป็นอนัตตาเห็นความเป็นอนัตตาเห็นความไม่เป็นตัวตนของมันเพราะฉะนั้นอันนี้จังกะดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีสมสูตรนี้แหละคือไตรลักษณ์ที่เป็นปรมัตา์ไตรลักษณ์ที่ไม่ใช่มานั่งคิดว่าโอ้อะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรก็เป็นทุกข์เสร็จแล้วเราก็บรลุแล้วบรรลุขิมาอะไรกันยังไม่ได้ไปฏิบัติเลยมันต้องมียานเห็นความจริงอย่างที่อาตมากล่าวนี่เลย เขามีสภาว่ามีตาทิพย์มีวิชาเห็นความจริงอย่างนี้เห็นทั้งความเป็นอริยจังอย่างไรเห็นทั้งความเป็นทุกขังอย่างไรแล้วได้ดับทุกอย่างไรพ้นอัตตาพ้นสักกายะพ้นอัตตาไม่มีตัวตนของอัตตาไม่มีตัวตนของสักกายะไม่มีตัวตนของอารวะอย่างไรเป็นอริยตาที่สมบูรณ์คุณต้องเห็นความไม่มีตัวตนอย่างนั้นด้วยวิชาด้วยญาณของคุณคุณจึงจะปฏิญญาณได้แล้วว่ากิจเเรราาส็จนกัต ทำกิจเสร็จแล้วกิจ ย, ยานคุณทําอยู่คุณก็รู้ว่าคุณได้ปฏิบัติคุณได้ทํากิจเพื่อลดกิเลสไปตลอดเวลาจนมันเป็นกัตยานจนมันสมบูรณ์จนมันมั่นคงจนมันเป็นสัมมาหิตะจนมันวิบุตรเป็นอนุตรังจิตตังอย่างสมบูรณ์ตรวจสอบอีกเมื่อไรไปเป็นเตโชเตชวิชโชไปตรวจสอบตัวเองนั่งตรวจสอบบุเพนิวาสานุสติยานโอ้เราปฏิบัติมาหลายวานันหลายเดือนหลายปีเออกิเลสมันก็ไม่เกิดนอดเห็นจุตูปปาตยาน เห็นความเกิดความดับโอเคเลือแต่ก่อนมันเกิดเดี๋ยวนี้มันไม่เกิดแล้วละระลึกถึงแต่ก่อนมันเกิดเดี๋ยวนี้มันไม่เกิดมันไม่เกิดนานแล้วมันไม่เกิดด้วยเหตุปัจจัยอะไรที่ไปยั่วยุเราอะไรลรามันก็ไม่เกิดไม่เกิดจึงเข้าใจแล้วก็ถอนอาสวะเมื่อไหร่หรือเมื่อรู้แล้วว่าอาสวะมันไม่มีอาสวะขยายา น, นิยานรู้ความสิ้นอาสวะอย่างแท้จริงนี่คือการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เดาสุ่มเดาดุยดยุอะไรไม่ใช่ หรืคุณจะรู้ภาษาให้เก่งขนาดไหนได้แต่ภาษาแต่คุณไม่มีภาวะไม่มีสภาวะจริงที่คุณปฏิบัติคุณก็ได้แค่ปทัทภปรามะได้แก่เป็นผู้รู้ยอดในบทธรรมะของพุทธเจ้าเท่านั้นเรียกว่าปทัทภปรามาแต่ไม่บรรลุธรรมพรุทธเจ้าตรัสว่าคุณลักษณะของคนปทัทภปรามานี่คืออะไรคือผู้รู้บวชปัทป ร, ทปรามานี่คือคนบวชใต้ตมบวชใต้ตมปทัทภปรามาบวเราชีสี่ 4. คนคนนี้รู้ภาษาธรรมะมากท่องจำภาษาพระพุทธเจ้าได้ไวเยอะสอนเขาอยู่เจ้าเจ้าแต่ผู้นี้ไม่บรรลุธรรมะนั่นคือมีเยอะอยิ่กว่านี้มากมายเก่งภาษาเก่งแต่ไม่บรรลุธรรมในชาตินั้นเลยนั่นคือคนรู้แต่เปลือกรู้แต่ภาษารู้แต่ไอ้นี่ไม่ใช่คนที่มีสภาวะจริงมันต้องพยายามปฏิบัติให้มีสภาวะจริงเจอพ้นปัทปรมะจจะบรรลุธรรม ครับนั่นก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะนำพาเราไปสู่ความหลุดพ้นจากปทัทภประมะก็คือบวชใต้ตมดังที่ได้กล่าวมาหวังว่าพี่น้องของเราคงจะกระจ่ายในเรื่องของการสะสมเน่วยกิจแห่งพระนิพพานาการเป็นผู้มีความละเอียดในในการตามดูตามรู้จิตของตอนเองเนะถึงส6บอาการตามที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ และแม้ที่สุดภาวะอื่นๆที่จะนําเราไปสู่สภาวะธรรมที่หลุดพ้นจากกิเลสในเรื่องของอบายมุกในเรื่องของศีลการผิดศีลห้าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดว่ายากเกินไปหากเรามีความมุ่งมั่นฟันฝ่าที่จะปฏิบัติตนไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นสิ่งที่บรรดามหาวัดทั้งหลายจะต้องใช้ความพยายามในการหมายปองดอกฟ้า อดอกฟ้าที่หมาวัดต้องเอื้อมนั้นคือพระนิพพานขอยพี่น้องเขาเราจงเข้าใจว่าการปฏิบัติโดยลืมตาเห็นเห็นปฏิบัติมรคองเจ็ดเพื่อสั่งสมลงไปสู่มรคองที่แปดสัมมาทิฏฐิสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสัมมาสติสั่งสมลงเป็นสัมมาส ม, มาธิ เหล่านี้แหละคือการปฏิบัติแบบลืมตาเห็นเห็นเป็นการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจําวันเนีเป็นการปฏิบัติอยู่กับกิเลสแต่ไม่แปดเปื้อนกับกิเลสเหมือนใบบอล น, นะนีที่อยู่กับน้ําแต่ไม่ถูกซึมซาบด้วยน้ําเหมือนใบบัวใบบอลมีลักษณะคล้ายๆกันทั้งหมดนั้นคือภาวะของพระนิพพาน จึงอยากจะขอกราบขอบคุณพ่อท่านที่กรุณาเสียสละเวลามาสู่บรรยากาศของรายการในช่วงนี้นามส ก, การครับพ่ะท่านครับก่อนจะจบจะนําพัตรไตรบีดกมากล่าวถึงพระนิพพานให้พวกเราได้รับฟังตรงนี้สักนิดหนึ่งในพัตรไตรบีดอกได้กล่าวไว้ว่าเป็นผู้มีปกติได้ความสงบใจในภายในทั้งได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมบุคคลเป็นผู้มีปกติได้ความสงบใจในภายใน ทั้งได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมพึงตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแหละแล้วกระทำความเพียรให้ยิ่งฟังนะตั้งอยู่ในกุศลธรรมแต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะกระทำความเพียรให้ยิ่งเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายดูก ร, รัฐพิสุท์ทั้งหลายบุคคลจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกขอให้จาพวกนี้คือจาพวกที่นั่งอยู่เบื้องหน้า และจำพวกที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้จงปรากฏอยู่ในโลกโดยท่วนหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดเทิน